จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจมุ่งใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2553เป็นวันหยุดพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางการจึงได้อนุญาตให้ ข้าการทั้งหลายได้มีเวลาหยุดเพื่อไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆอย่างญาติโยมนี้ก็มาทำบุญที่วัดเพราะการบุนการทำบุญนี้เป็นการสะสมทรัพย์ภายในทรัพย์ที่เป็นของเราอย่างแท้จริง ทรัพย์ที่จะติดตัวกับเราไปหลังจากที่ร่างกายของเรานี้หมดสภาพไปแล้วเราสามารถเอาทรัพย์คือบนนี้ติดตัวไปกับเราได้เพียงอย่างเดียวส่วนทรัพย์ภายนอกเช่นสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็จะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ ต้องทิ้งไว้ให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คนฉลาดจึงพยายามสะสมทรัพย์ภายในให้มากๆเพราะเวลามีทรัพย์ภายในไปก็จะไปอย่างเศรษฐีไปอย่างมีความสุขความสบายถ้าไม่สร้างบุญไม่สะสมทรัพย์ภายใน ตายไปก็จะไปแบบขอทานไปแบบเปลดไปต้องไปขอทานขอบุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างในช่วงเทศกาลนี้เราจะมีธรรมเนียมในการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ร่วงรับไปแล้วเผื่อว่าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ เขาไม่ได้ทำบุญไม่ได้สะสมทรัพย์ภายในตายไปเขาก็จะต้องเป็นขอทานทางจิตวิญญาณก็คือเป็นเปรตนี่เองเปรตนี้ก็คือขอทานเพราะเขาไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปกับเขาเขาก็ต้องระเหเล่ล่อนไปขอส่วนบุญส่วนกุศลจากคนนั้นจากคนนี้แต่ คนที่ทำบุญไม่มากเวลาไปก็จะเป็นเศรษฐีจะไปเป็นเทพเป็นเทวดาเทวดานี้เรียกว่าเศรษฐีทางจิตวิญญาณจะมีทรัพย์ภายในมากมายทำให้เขาสามารถหาความสุขจากของทิพย์ต่างๆได้หาความสุขจากรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์ เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมาคอยรับส่วนบุญของผู้อื่นถึงแม้จะมีผู้อื่นส่งบุญไปให้เขาเขาก็จะไม่ดีใจเพราะมันเป็นส่วนน้อยมากเมื่อเปรียบกับทรัพย์ที่เขาได้สะสมมาไว้บุญอุทิศที่เราส่งไปนี้เป็นเหมือนกับของที่เราให้ขอทานขอทานเราจะให้อะไรเขามาก ก็คงไม่ได้เราก็ให้พอที่จะประทางชีพเขาไปให้ไปหบาทสิบบาทเพื่อเขาจะได้มีเงินซื้ออาหารมารับประทานเท่านั้นเองบุญอุทิศก็เป็นเช่นเดียวกันเราไม่สามารถที่จะอุทิศให้กับขอาทานทางจิตวิญญาณได้เท่ากับเราให้กับตัวเราเองเช่นเราทำบุญมานี้9ส่วนนี้จะเป็นของเรา ส่วนเดียวเป็นส่วนที่เราจะแบ่งให้กับขอทานทางจิตวิญญาณได้ดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องการสะสมทรัพย์ภายในในเรื่องการทำบุญเพราะถ้าเราไม่ทำบุญแล้วตายไปเราก็จะต้องไปเป็นขอทานั่นเองการทำบุญจึงถือเป็นเป็นพื้นฐานของ การสะสมทรัพย์ภายในนอกจากการทำบุญให้ทานแล้วยังมีบุญที่เราต้องทำอีกอย่างนึ่งก็คือการรักษาศีนการรักษาสีนนี้จะเป็นหลักประกันเหมือนกับเราซื้อประกันภัยถ้ารถเราไปเกิดอุบัติเหตุเบอร์สั์ประกันไัยเขาก็จะชดใช้ซ่อมแซม รถหรือซื้อรถใหม่ให้กับเราถ้าเราไม่มีประกันภัยถ้ารถเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องสูญเสียรถคันนั้นไปการมีศีลก็เป็นการมีประกันประกันว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่ไปเกิดในอบายนั่นเองศีลคือประกันประกันไม่ให้เราต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรยไปเกิ ด, ไ ป, กดไปตกนรก ศีลนี่แหละเป็นตัวประกันรับรองได้ว่าถ้าเรารักษาศีลได้อย่างครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเวลาตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในอบายถึงแม้ว่าในอดีตชาติเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็าตามแต่ถ้าชาตินี้สามารถรักษาศีล ได้อย่างคบถ้วนบริบูรณ์ทุกลมหายใจเข้าออกจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนนี่คือหลักประกันของศีลศีลก็คือศีลห้า น, นี่เองคืออะไรบ้างมีหนึ่งคือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์สองละเว้นจากการรักทรัพย์ สามละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี 4. ีละเว้นจากการพูดปดพูดโกหกพูดไม่จริง 5. ละเว้นจากการเสพสุรายามานี่คือศีลห้าที่จะรับประกันไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายการรักษาศีลห้าก็เหมือนกับการสมบี้ยรประกัน เวลาเราซื้อประกันแล้วทุกเดือนเราต้องส่งเบี้ยถ้าเราไม่ส่งเราขาดเบี้ยเมื่อไหร่พอเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะบอกว่าไม่สามารถที่จะจ่ายชดแทนชดเชยความเสียหายให้ได้เพราะคุณไม่ได้ส่งเบี้ยประกันฉันใดการถ้าคุณไม่รักษาศิหนห้าให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกเวลาก็ถึงเวลาที่คุณตายไป เขาก็ไม่รับประกันว่าคุณจะไม่ไปเกิดในอบายแต่ถ้าคุณสามารถรักษาสีลห้าได้อย่างตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเขาก็จะรับประกันได้อย่างเต็มที่เลยว่าจะไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปผู้ที่สามารถรักษาสีลห้าได้อย่างตลอดใบนี้ก็มีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นคือพระอาริยเจ้า มีอยู่สีระดับด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้ท่านรักษาศีลได้ทุกทุกคนตายไปท่านจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายท่านมีแต่จ ะ, จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆพบชาติเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่ต้องกลับมาเกิดอีกจน บรรลุถึงพระนิพพานเป็นพระอาหารหันต์สิ้นสุดแห่งการต้องที่ที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี่คืออนิสง์ของการสร้างสะสมทรัพย์ภายในซึ่งมีหลายระดับด้วยกันเราได้พูดถึงสองระดับแรกก็คือทานและศีลก็คือศีลห้า ถ้าเราสามารถสะสมทรัพย์สองระดับนี้ได้เราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่เรายังต้องกลับมาเกิดใหม่หลังจากที่ตายไปแล้วเราจะไปเกิดเป็นเทพในสวรรค์เมื่อหมดบุญแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าเดิม มมีผิวพันธุผ่องใสกว่าเดิมมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่พิกลพิการมีอายุยืนยาวนานด้วยอานาจของทานที่เราทำกันนี่เองส่วนศีลก็จะเป็นตัวรับประกันว่าเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างแน่นอนจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ไป เสษไปสวยอาหารทิพย์ต่างๆเช่นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์นี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการให้ทานและรักษาศีลห้าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านี้ถ้าอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม หรืออยากจะไปเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องสร้างบุญอีกระดับหนึ่งสะสมทรัพย์อีกระดับหนึ่งเรียกว่าภาวนาภาวนานี้ก็มีอยู่สองขั้นด้วยกันคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือการทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเช่นเวลาเรานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือดูลมหายใจเข้าออกหรือสวดมนต์ไปภายในใจควบคุมความคิดของเราไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆให้อยู่กับพุทธโธให้อยู่กับบทสวดมนต์หรือให้อยู่กับลมหายใจจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบการที่จิตรวมเข้าสู่ความสงบก็เหมือนกับการเข้าไปนั่งอยู่ในห้องปราบประกานนั่นเอง แต่ก่อนที่จะเข้าไปได้ก็ต้องไขกุญแจก่อนมันยากตรงที่ต้องไขกุญแจนี้เองถ้าเราไม่มีกุญแจที่ถูกกับกับล็อกที่เขาใส่ไว้ก็จะไม่สามารถเปิดเข้าไปได้แต่ถ้าเราสามารถหากุญแจที่ถูกกับล็อกที่เขาติดไว้เราก็จะสามารถเปิดเข้าไปได้กุญแจที่จะพาให้เราเข้าไปสู่ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศนี้ได้ ก็คือการนั่งสมาธินี่เองแต่ต้องนั่งแบบถูกหลักวิชาการคือนั่งด้วยการมีสติคำว่ามีสติก็คือจะต้องให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวถ้าไม่สามารถให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ก็ต้องลองบริกรรมพุทโธพุทโธไปดูก่อนถ้าบริกรรมพุทโธยังไม่อยู่ก็ลองสวดมนต์ไปก่อน สวดมนต์สวดอรหังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปนโนสวดบทไหนก็ได้ที่เราจำได้สวดซ้ำๆไปสวดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ให้ใจของเราไปคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ให้คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่ให้คิดถึงเรื่องที่จะมาไม่ให้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ให้อยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับพุทโธ ดยอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะมีกุญแจที่ถูกกับล็อกที่ติดไว้เราก็จะสามารถเปิดประตูเข้าไปในห้องปรับอากาศได้พอเราเข้าไปในห้องนั้นแล้วเราก็จะพบกับความเย็ยนความสบายเราก็อยากจะนอนพักผ่อนนั่นก็คือสมาธิจะเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนเข้าไปในห้องปรับอากาศ เวลาจิตใจมีความรุ่มร้อนพอบริกรรมพุทโธพุทโธไปส่วนมนไปไม่นานจิตก็เข้าไปสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบได้แล้วจิตก็จะมีความเย็นมีความสบายหายรุ่มร้อนหายวุ่นวายใจนี่คือสมาธิก็คือเป็นซับภายในเป็นเป็นสวรรค์ชั้นพรหมนี่เอง สวรรค์ชั้นพรมนี่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพก็เหมือนกับเราเปิดดูเราเข้าไปในห้องแอร์แล้วเราเปิดดูโทรทัศน์เปิดเพลงฟังอย่างนี้เรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นเทพต้องดูต้องฟังถึงจะมีความสุขแต่ถ้าเป็นสวรรค์ชั้นพรมพอเข้าไปในห้องติดแอร์แล้วก็นอนสบายนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายอย่างนี้เรียกว่าสวรรค์ชั้นพรม มีความสุขมากกว่ามากกว่าที่จะต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งดูละครฟังเพลงไป <c oughs> นี่คืออานิสงส์ที่เกิดจากการนั่งสมาธิจะทําให้เราได้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมถ้าเราตายไปแล้วก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหม ท, ทันทีจนกว่าจะหมดกําลังของสมาธิก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพ เหมือนคนที่นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็เกิดความหิวเกิดความอยากจะดูดูหนังฟังเพลงก็ต้องเปิดโทรทัศน์ดูเปิดเครื่องเล่นเสียงดูฟังดูเมืนะ่อเมื่อหมดเมื่อห ม, ม, อหมบุญของเทพก็คือเครื่องปรับอากาศหยุดทํางานในห้องมันร้อนแล้วอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกมาข้างนอกห้องก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่มาทำบุญมารักษาศีลมานั่งสมาธิใหม่พอตายไปก็จะได้กลับเข้าไปในห้องนั้นอีกนี่คือถ้าเราได้ทำบุญถึงขั้นระดับสมาธิเพื่อได้รักษาศีลได้รักได้ทนั่งสมาธิได้ทาบุญให้ทานเราก็จะได้ไปถึงสวรรค์ชั้นถงก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ จากพรหมก็ลงมาสู่ชั้นเทพจากท่านเทพก็ลงมาเป็นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่แล้วก็กลับขึ้นไปใหม่แต่จะยังไม่สามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังต้องเกิดใหม่แล้วต้องกลับมาทำบุญใหม่ถ้าเบื่อไม่อยากจะกลับมาทำบุญใหม่มาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ก็ต้องทำบุญอีกขั้นหนึ่งขั้นที่สี่ คือวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนานี้ก็คือการสั่งสอนใจให้หายจากความรุ่มหลงใจของพวกเราถ้าไม่มีวิปัสสนานี้ยังหลงรักสิ่งนั้นยังหลงรักสิ่งนี้อยู่ยังอยากได้สิ่งนั้นยังอยากมีสิ่งนี้อยู่แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นคนฉลา มีปัญญาทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ตรงนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเวลาได้มาก็จะสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้มาหลังจากนั้นแล้วก็ต้องมาทุกข์เพราะจะต้องหวงจะต้องห่วงและจะต้องเสียใจเวลาที่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่ง ก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองไม่มีอะไรคงเส้นคงวาไม่มีอะไรจะอยู่ไปตลอดนี่คือวิปัสสนาพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข พระองค์จึงสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดไม่อยากจะมีอะคอยเป็นราชกุมารก็สละราชกุมารไปเคยมีปร า, าสาท ร, ราชวงังถึงสามหลังก็สละไปเพราะไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นั่นเองถ้ามีแล้วจะต้องทุกข์อย่างพวกเหานี้ทุกข์กันกับอะไรก็ทุกข์กับสิ่งที่เรามีกันไม่ใช่หรยอทุกข์กับเรื่องเงินเรื่อ ง, องทอง เวลาไม่มีก็อยากได้ก็ทุกข์พอมีแล้วก็เสียดาก็หวงก็ทุกข์ก็หวงก็ทุกข์ทอหมดไปก็เสียใจก็ทุกข์เราทุกข์กับสิ่งที่เรามีกันเราทุกข์กับเงินทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกถ้าเราไม่มีสามีเราก็ไม่ต้องทุกข์กับสามี ถ้าเราไม่มีภรรยาเราก็ไม่ต้องทุกกับภรรยาถ้าเราไม่มีลูกเราก็ไม่ต้องทุกกับลูกนี่คือปัญญาพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์จึงทรงสละทรงตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปตอนที่ได้ข่าวว่าได้ลูกมาท่านก็ร้องขึ้นมาว่าลาหุนราหุนแปลว่าอะไรแปลว่าบวงบวงอะไรบวงแห่งความทุกข์นั่นเอง พอมีลูกแล้วก็ต้องทุกข์กับลูกต้องคอยเลี้ยงดูลูกต้องคอยห่วงลูกต้องคอยห่วงลูกแล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาที่ลูกตายจากเราไปนี่ก็คือความทุกข์พระพุทธเจ้ามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นความทุกข์ทั้งหมดจึงกล้าตัดสินใจสลักทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อออกบวชเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเอง จนได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดความโลภความหลงที่มีอยู่ในใจให้หมดไปไม่ยินดีกับอะไรทั้งนั้นไม่ยินร้ายกับอะไรทั้งนั้นใครจะเป็นอะไรไม่เดือดร้อนใครจะเกิดก็ไม่ดีใจใครจะตายก็ไม่เสียใจนี่คือวิปัสสนาถ้าเรามีปัญญาเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไร ไม่อยากมีเงินไม่อยากมีตำแหน่งสูงๆไม่อยากมีอำนาจวาสนาเหมือนคนที่กำลังแก่งแย่งชิงดีกันอยู่สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้แก่ผู้อื่นเพราะอำนาจของความหลงนั่นเองอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะมีอำนาจอยากจะร่ำอยากจะรวยก็เลยต้องออกมาแก่งแย่งชิงดีกันแล้วผลเป็นยังไงก็มีแต่ความทุกข์ตามมา บาดเจ็บกันตายไปกันแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวก็ยังจะต่อสู้ต่อไปเพราะความหลงเพราะไม่เคยได้เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมไม่เคยศึกษาไม่เคยเจริญวิปัสสนากันนั่นเองคนที่ฉลาดนั้นเขาไม่เอาสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นความทุกข์ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นกษัตริย์เป็นราชกุมารก็ยังตัดสิ่งเหล่านี้ไป แล้วไปอยู่ในป่าในเขาตามลําพังอยู่อย่างมีความสุขอย่างสบายใจไม่มีใครมาแก่งแย่งชิงดีเพราะไม่มีอะไรจะให้เขามาแย่งมาชิงไปนั่นเองมีแต่ป่ามีแต่เขามีแต่ความสงบความวิเวกซึ่งเป็นสิ่งที่กิเลสไม่ชอบตันหาไม่ชอบไม่มีใครโลกอยากจะได้ความสงบความวิเวกกันเพราะ ความหลงไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ความหลงชอบอำนาจชอบวาสนาชอบเงินทองชอบอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็เลยจะต้องไปใช้เวงใช้กรรมสร้างบาปสร้างกรรมอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในระบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ต่ําต้อย มีรูปร่างหน้าตาที่เลวกว่าเดิมมีผิวพรรณที่เลวกว่าเดิมมีอายุสั้นกว่าเดิมมีอาการไม่ครบ32สองนี่คืออนิสงค์ของพวกที่สร้างบาปสร้างกรรมตายไปแล้วก็ไปเกิดในอบายจากอบายกลับมาเกิดก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบนี่คือเรื่องของพวกที่ถูกอํานาจของความหลงครอบงำจิตใจ ถูกความโลภความอยากหลอกให้ไปสร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้จักจบจากสิน้นพวกนี้ก็จะวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาสร้างเวรสร้างกรรมใหม่พอเกิดมายากจนก็อยากจะรวยเหมือนคนอื่นเขาแต่ขี้เกียจไม่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ขี้เกียจที่จะทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นีแต่อยากจะโกงอยากจะปล้นอยากจะจี้อยากจะได้เงินมาแบบง่ายๆอย่างรวดเร็วพอตายไปก็เลยต้องไปกลับไปใช้เวงใช้กรรมใหม่เพราะเกิดมากรรมมาเกิดใหม่ก็เกิดอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าไม่กลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่กลับมาทำบุญกลับมารักษาสิ่งกลับมานั่งสมาธิกลับมาเจริญวิปัสสนา ชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ในในในอบายอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าได้มีโอกาสได้กลับเนื้อกลับตัวกลับมาทำบุญให้ทานกลับมารักษาศีลกลับมาบวชเป็นพระหรือเป็นชีมาบวชมาอยู่วัดนั่งสมาธิมาเจริญวิปัสสนาชีวิตก็จะดีขึ้นไปตามลำดับ จะเวียนขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตะก็ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้เป็นพระอาหารหันต์หรือได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนพวกเราท่านไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็สะสมบุญสะสมกุศล ม, มาทุกภพทุกชาตินั่นเองทำให้ท่านพัฒนาจิตของท่านขึ้นไป สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดคือเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นสรระเป็นที่พึ่งของพวกเราภาษาวลกทั้งหลายก็เป็นเหมือนพวกเราที่ยังมีความหลงความโลภความอยากอยู่แต่พอได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาพยายามปฏิบัติตามไปจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระ อารหาันขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรที่เราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราเคยทำบาปมาเราเลิกทำได้เราไม่เคยรักษาศีลเราเริ่มรักษาศีลกันได้เราไม่เคยทำบุญให้ทางเราทำได้เราไม่เคยนั่งสมาธิเราทำได้เราไม่เคยคิดไม่เคยเจริญวิปัสสนาเราสามารถคิดได้ทำได้ เช่นวันนี้ต่อไปนี้ลองคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาหรือจะคิดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดอยู่เนืองๆก็ได้ก็คือท่านสอนให้คิดว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่วมพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายเปไม่ได้เราเกิดมาแล้วต้องพัดลากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นธรรมดาร่วมพ้นไปไม่ได้นี่คือการเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเพราะถ้าเราได้เตือนเราอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไร สิ่งที่เรามีอยู่เราก็จะปร่งเราก็จะไม่ยึดไม่ติดมีสามีก็ปลง่งมีภรรยาก็ปร่งพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปถ้าเขาเบื่อเราเขาอยากจะไปมีแฟนใหม่ก็ปล่อยเขาไปหรือถ้าเขารักเราแล้วอยู่กับเราไปจนถึงวันตายเมื่อถึงเวลาเขาตายก็ปล่อยให้เขาตายไปแต่เราจะไม่ทุกข์กับเขาเขาจะเป็นจะตายเขาจะดีจะชั่วยอย่างไรเราจะไม่เดือดรอ้อน เราจะอยู่อย่างสงบสุขมีความสุขมีความสบายใจด้วยอาํานาจของการเจริญวิปัสสนานี้ด้วยการเจริญปัญญาแล้วจะทําให้เรามีศรัทธาที่จะทําบุญมากขึ้นไปเรื่อยๆที่จะรักษาศิลงให้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆที่จะนั่งสมาธิให้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆและเจริญปัญญาให้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถบรรลุปเป็น พราอรหันสาวงของพระพุทธเจ้าได้ตัดภพชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้ถึงแม้จะเกิดในภพที่ดีก็ยังต้องทุกข์ทรมาอยู่ดีเพราะเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถึงแม้จะเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้ก็เป็นเหมือนกันทุกคนเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ทุกข์เหมือนกัน เป็นขอทานก็ทุกข์เหมือนกันแต่คนที่ไม่กลับมาเกิดนี้เท่านั้นที่จะไม่ทุกข์นี่คือเป้าหมายสุดท้ายของพวกเราก็คือการไม่เกิดไม่กลับมาเกิดและการจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องอาศัยการสะสมทรัพย์ภายในที่พวกเรากำลังมาสะสมกันในวันนี้มาทำบุญให้ทานมารักษาสิง มาฟังเทศฟังธรรมมาเจริญวิปัสสนามาเจริญสมาธิขอให้เราพยายามทำไปเรื่อยๆจากน้อยไปหามากสักวันหนึ่งเราก็จะบรรลุได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันตสาวลกทั้งหลายก็ดีท่านก็ทําจากน้อยไปหามากทุกคนต้องเริ่มต้นจากที่ศูนย์ด้วยกันเพราะเราไม่มีสิ่งเหล่า น, นี้ภายในใจกันเราก็ต้องเริ่มจากศูนย์กัน แต่เมื่อเราเริ่มแล้วต่อไปเราก็จะได้ครบร้อยอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาสะสมทรัพย์ภายในในช่วงวันหยุดเทศกาลสงการานต์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจิารณาเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปกานแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้